ครังนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรซึ่งยืนอยู่ณนภะูเขาคิชกูดซึ่งมียอดจดหมูทานน้ําเย็นสนิทมียอดอบอวนไปด้วยดอกไม้ของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมหนานาชนิดมียอดวิจิตรงามอย่างยิ่งก็สมัยสมัยเมื่อพุทธกาลนะ เ, เนี่ยนะภูเขาคิชกูดเนี่ยเป็นภูเขาที่มีต้นไม้งดงามแต่ตอนนี้เนี่ยหาร่มเงายากกันขาบอกว่ า, วา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 เป็นที่นอบน้อมบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นจักรวาลเนี่ยนะก็เลยเรียกประชุมภิกษุ500รูปซึ่งอยู่กับตนเพราะฉะนั้นพระสังขีติกาจาจา์ก็เลยกล่าวว่าท่านระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงประชุมภิกษุ500รูป500รูปนั้นล้วนแต่เป็นพ้ารหันเนี่ยนะดูจากอะไรทำกิจเสร็จแล้วทากิจเสร็จแล้วผู้คงที่สิ้นอาสวะแล้วปราศจากมนทินเรียกประชุมผ้าลหันเลย อธิบายว่าปัญจังนังพิกูสตานังก็คือพิษู500รูป500รูปนั้นกะตะกิตจานังคือผู้มีกิจอันทรรมเสร็จแล้วกิจในที่นี้คืออะไรก็คือผู้จบโสรสะกิจแล้วกิจ16กหนะกิจ16ก็คือกิจในอริยสัจสีนั่นเองทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรควรเจริญ ขณะโซดาปฏิมักเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกทำกิจละสมุ ท, ทยัยทำกิจทำนิโรธให้แจ้งทำกิจเจริญโสดาปฏิมักขณะสกะทาคามิมักเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมักขณะอนาคามิมักเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิ โ, โรธให้แจ้งแล้วก็เจริญอารยามักขณะอรหัตตมักเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคพันธอริยมรรค4ี่ทำกิจในอริยศาสตร์สก็เลยเรียกว่า16 4หกสคูณสเท่ากับสิเนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่ทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเรียกว่าเป็นผู้จบกิจเนี่ยนะกะตะกิจจานังผู้จบโสรสะกิจผู้ทํากิจ16เสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ที่ทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเรียกว่าพระอเศขารู้มีการศึกษาอันจบสิ้นแล้วสําเร็จแล้ว ถ้าเป็นพระโสดาบันกาลังกําหนดรูปทุกละสมุทยัยพวกนี้เรียกว่าเป็นพระเสขาบุคคลล่างล่า ง, ล, างลงมาโดยมากก็เรียกว่าเนวเสขานาเสขะจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่เชิงก็ว่างั้นก็เอาบ้างเป็นครั้ ง, เ ป, งเป็นคราวอะไรไปเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเนวเสขานาเสขะว่า ง, งั้นพระอรหันตเหล่านั้น500รูปขีนาสวานังก็คือผู้สิ้นอาสวะสี่เนี่ยนะมันกิจในอริยสัจเนี่ยนะกิจในอริยสัจเนี่ย เป็นกิจที่กำจัดอาสวะทั้งหลายเช่นว่าโสดาปฏิมักทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุไทยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมักกำจัดทิฏฐานสวะออกไปสกัตาคามิมักเนี่ยนะเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกละสมุไทยทำนิโรธให้แจ้งกำจัดกามาสวะอย่างหยาบออกไปเนี่ยนาคาคามิมักเกิดขึ้นอนาคาคามีมักเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกละสมุไทยรทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมักกำจัด การมาสวะออกไปอรหัตตมักเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพานให้แจ้งเจริญมักขณะนั้นก็กำจัดภวาสวะและอวิชชาสวะออกไปนั้นเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าขีนาสวะผู้สิ้นอาสวะสีแล้วเพราะทำกิจในอริยสัจเสร็จวิมาลาหนังวิมลวิมนเ น, นี่ยตัวทั่วไปก็เป็นคำว่าดอกบัวนะวิมนก็คือวิมละแปลว่าไร้ม่นถินเนี่ยนะผู้ปราศจากมน่นถิมนม่นถินแปลว่าความ เศร้ามองดอกบัวถือว่าไม่เศร้ามองเพราะไม่แปดเปื้อนด้วยน้ําเป็นต้นฉันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ผู้ปราศจากมนทินคือความเศร้าหมองฉันนั้นพระองค์ไม่มีความเศร้ามองทางกายไม่มีคําพูดที่เศร้าหมองและก็ไม่มีจิตใจที่เศร้าหมองกําจัดความเศร้าหมองเหล่านี้ออกไปแล้วเพราะมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์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 ที่จะยังใจของพระองค์ให้เศร้ามองเนี่ยนะพราะพระองค์รอบรู้ในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองเสร็จแล้วก็เลยเลิกเศร้าหมองคนที่เศร้าหมองสมมุติว่าอย่างใครที่คนที่สอบสอบเนี่ยนะวันไหนที่สอบและสอบไม่ได้ใจคุณมัวนะวันวันไหนรู้ปะวันที่ไม่ได้ทําการบ้านเป็นต้นวันที่ทําอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยวันนั้นแหละเศร้ามองที่สุดแต่ถ้าหากว่าคนที่เข้าใจอย่างดีกําหนดจดจําได้หมดเนี่ยนะถามว่าหนักใจไหม ไม่มีนักใจฉันใดพระพุทธเจ้าขันหา้าทุกชนิดโพรงรอบรู้เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะเมื่อรอบรู้เสร็จหมดแล้วมีเรื่องอะไรจะทําให้พระงเศร้าหมองบ้างเนี่ยนะไม่มีไม่มีแ ม, ม, ม, ม้แต่นิดเดียวเพราะพระองค์ทำทำกิจเสร็จแล้วอะ่ะจะเอาเรื่องอะไรมาตําหนี่พระองค์ก็ไม่ได้แล้วพระองค์ก็เข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างทะลุโปรง่งมันชีวิตของพระองค์ดํารงอยู่เพื่อการช่วยเหลือสัตว์เท่านั้นเองเนี่ยนะ มันก็พอประชุมเสร็จแล้วเพื่อแสดงเหตุในการประชุมและการตายของพิสุเหล่านั้นพระสังคีติกาจารก็เลยกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ชีวโลกะปะสาธนะแปลว่าปสาทนาเนี่ยนะโลกะก็คือทําโลกให้เลื่อมใสทําใจของสัตว์โลกให้ผ่องใสปสาธนะก็คือศรัทธาปสาทาก็คือจิตใจที่ผ่องใสพระองค์กําลังแสดงปาฏิหาริย์ให้สัตว์โลกมีใจ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 ก็มันดูมันประทุขึ้นมาไลเป็นลาวาอะไรมันลึกๆ ล, ลงไปขนั้นมันจะมีอะไรอยู่บ้างนะใครเคยมุดไปดูบ้างไม่ทราบอย่าไปเลยนะแค่ว่าเดินผ่านๆภูเขาไฟนี่ก็เดือดร้อนแล้วนะไม่ต้องมุดลงไปลึกจะบอกโอ้ยนรกไม่มีหรอกข้างล่างเอา้าเคยมุดไปดูแล้วหรือแต่ถ้ามุดไม่มีจริงมนะั้ยอย่างมายิ้มแป้เลยสมมติท่านนรกมันไม่มีจริงนะ อ, อะไรจะดีขนาดนั้นทุกคนจะอยู่เย็นเป็นสุขใครทำชั่วใครปลอดภัยหมด ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเนี่ยขอให้มันไม่มีจริงๆเถอะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะคุกตารางเขาไว้ใส่ใคราวยังไนฉันใดขนาดในโลกนี้ยังมีคุกไว้ใส่คนเลวฉันใดแล้วนรกอ่ะเขาก็ไวส้สำหรับใส่จิตชั่วๆเร็วๆนั่นแหละเขอบอกว่าพระองค์อธิฐานให้สัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะระดับบนอากนิตตพระดับต่ำอเวจีให้เกิดแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน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 ไม่นับถือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่พระองค์ทําอย่างนี้ให้สัตว์โลกเลื่อมใสายเพราะว่านั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหลายบทก่อนนั้นบอกว่าพผ้รหันทั้งหลายคือผู้คงที่เป็นผู้คงที่ทั้งอิทธารมและอนิธารมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาะถ้าบอกว่าคงที่ถึงขนาดามองเห็นนรกกับมองเห็นพรหมเนี่ยนะท่านมองเห็นปกติคนเห็นสัตว์นรกเสียใจใช่ไหม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 ไม่ใช่แกล้งเนี่ยแกล้งทําเป็นเหมือนไม่สนใจทําเป็นเหมือนทําเป็นทําเป็นอ่ะนะทำเป็นเหมือ น, น, น, อะนะ น, อนไอ้ทำเหมือนนี่มันก็ไม่ใช่ของแท้อยู่แล้วใช่ไโอ้ยซื้ออะไรมาเหมือนซื้อทองไงไปซื้อเม็ดอะไรมาเหมือนเพชรเลยเนี่ยนะ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 เหล่าสัตว์ทั้นภาษารีบุตรเป็นต้นก็เลยกล่าวกับพระที่เป็นบริวารของท่านวันทิศสามะพวกเราจะถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวเนี่ยนะจะใช้หัวนี่แหละกราบพระองค์มางั้นไม่ใช่ใช้แต่แขนเอาอ่ะก็บอกว่าถ้าคนแขกเนี่ยนะเขาเลื่อมสายมากเขาโอ้เอามือไปแตะเท้าเนี่ยแสดงว่าเขานับถือมากาก็ว่ายอมรับเลยมางั้นนะไปถึงเอามือแตะเท้าเสร็จแล้วมาแตะหน้าผากตัวเองบ้างนะแต่ถ้าเป็นพระพิสูจน์ี่ก็เอาเท้าเนี่ยซุกลงที่ พระบาทของพระพุทธเจ้าหรื อ, อพรหมายุพราหมเนี่ยบอกใช้ปากในจูบพระบาทพระพุทธเจ้าเลยว่างั้นคือเคารพบูชากราบไหวเขาเรียกว่า ใ, ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทจริงๆเลยแหละเนี่ยนะใต้ฝ่าละองทุลีพระพุทธบาทจริงๆเร้วน้อมก้มกราบไหว้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าทำไมทำไมจึงต้องทําขนาดนั้น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 ทัศเนนะปหาตพะทรมาภาวนายะปหาตพาธรร ม, มาเนวทัศเนนะณภาวนายะปหาตพะทำ ม, มแปลว่าธรำบางอย่างถูกละออกไปด้วยอํานาจของโสดาปติมักหรือทำที่โสดาปติมักเพึงประหารเขาบอกว่าในรัตนสูตรเนี่ยนะส ก, กายะทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือแม้ศีละพระตะปรามาศอันใดอันหนึ่งมีอยู่ สังโยชนเหล่านั้นทั้งปวงเนี่ยนะพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมกับการเห็นอริยสัจทีเดียวพร้อมกับการเห็นอริยสัจนั่นแหละพระโสดาบันละสกายติถิวิจิกิจฉาและสีละพตะปรามาศพระโสดาบันเห็นกองทุกละสกายทิถิเห็นสมุทัยละวิจิกิจฉาเห็นนิโรธเห็นอริยมรรคนิละสีละพตะปรามาศได้โดยสิ้นเชิงเพราะโสดาปฏิมครคที่เกิดขึ้นนั้นน่ะ และอะไรออกไปบ้างสกายติฐิวิจิกิชฌาศีละพตาปรามาสกายติฐิกับศีละพตาปรามาถ้าโดยจิตตุบาทก็คือจิตตุบาทที่ประกอบกับทิฐิคตะสัมปยุทธสีดวงทิฐิขตะสัมปยุทธสีดวงคือโสมณัสสะหะกะตังทิฐิสัมปยุทธตังอสังขาริกังสสังขาริกังหรืออุเปขาสะคตังทิฐิคตะสัมปยุทธตังอสังคาริกังหรือ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 ไอ้ดีใจมันก็บางคนก็คิดเองได้บางคนก็ถูกชักชวนอีกอย่างหนึ่งบางคนที่เฉยๆอุเบกขาเกิดเองบ้างถูกชักชวนบ้างแตกออกไปมันก็เป็นสี่จะเรียกให้มันเป็นแปดเป็นสิบหเป็นร้อยแปดเป็นร้อยพันเกว่าได้ทั้งนั้ น, นอันนี้แต่ว่าเรียกแบบย่อๆสี่ดวงก็แล้วกันตามตามธรรมสังคีณีเท่านั้นเองแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิกระจายให้เยอะๆๆหาที่สุดไม่ได้เพราะว่า มิจฉาทิฏฐินับหนึ่งก็อย่างคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นความเห็นผิดนับ2เกิดร่วมกับโสมนัสและอุเบกขาถ้านับ4ี่ก็เรียกว่าจิตตุบาทแบบ4ประเภทถ้าจะนับสูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นมิจฉาทิฏฐิ6มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุอะไรมีเว็บวัตถุ10บสกายทิฏฐิ20ทิฏฐิ62หรือว่าลัทธิสารพัดลัทธิเหล่านี้มันก็มีมากมายหาที่สุดไม่ได้แล้วลัทธิเหล่านั้นมีโรงรายละเอียดใช้ความคิดเปลืองขนาดไหนคิดดู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 พระสงฆ์ก็อย่างหนึ่งอันนี้ยกตัว อ, อย่างสงสยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในปุพพเจริยาคุณก็อย่างหนึ่งสงสัยในภัสรีระคุณก็อย่างหนึ่งสงสัยในพระพุทธคุณเป็นต้นก็อย่างหนึ่งไล่ไล่ให้มันเยอะมันก็เยอะนะั่นแหละอัตกถาธรรมสังกี้นี้ท่านบอกว่าพูดให้มันไม่จบมันก็ไม่จบฟังกันคือแปลว่าให้มันไม่มีที่สุดมันก็ไม่มีที่สุดแต่นี้พอแล้วาการตั้งมาเป็นดวงกิจเท่านั้นเท่า น, น, านี้เพื่อสะดวกแก่การศึกษาและคน้นควา้าสําหรับคนเริ่มต้นเท่านั้นเอง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 ไม่ใช่เห็นทุกข์นะตอนที่เสียใจแล้วบ่นว่าทุกข์ทุกขุกับตอนที่เห็นทุกข์คนละอย่างกันนะคนที่บ่นว่าทุกข์ก็นึกว่าเห็นทุกข์ที่ไหนได้ไม่ใช่มันถ้าใครเห็นบบนี้ทุกข์ก็น่าตกนรกเนี่ยรู้ทุกข์ชัดที่สุดแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมันในคำว่าเห็นทุกข์เนี่ยคนที่เห็นเนี่ยทุกข์หรือไม่ทุกข์คนที่เห็นทุกข์จริงๆคนที่มีความสุขที่สุดคนที่นี้สมุทัยเนี่ยนะคนนั้นเนี่ยถูกตันหาฉาบทารมไหมอย่างเขาบอกว่า ถ้าเป็นแบบในโลกนี่บอกนี้ทุกเอาคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากพูดนี่ไหมมันน่าจะสมจริงสมจังย้วยนี้สมุทัยโลภะคนที่กําลังชอบอะไรสักอย่างก็พูดว่าเออนี้โลภะอันนี้น่าจะบอกว่าจริงแต่ไม่ใช่กลับว่าปัญญาเท่านั้นแหละที่นี้ทุกนี้สมุทยัยแล้วก็บอกว่าที่จะรู้ทุกสมุทัยได้แท้จริงต่อเมื่อเห็นนิโรธคือพระนิพพานนั้นถ้าใครรู้จักทุกสมุทยัยจริงต้องหลีกออกจากทุกข์แล สมุทยัยมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกวารู้จักทุกข์และสมุทัยจริงแต่ถ้ายังหลีกออกจากทุกข์และสมุทัยไม่ได้ยังรู้ไม่พอดันั้นความสงสัยในอริยสัจถามว่าเมื่อไม่สงสัยในอริยสัจจะสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้บรรลุอริยสัจไหมไม่สงสัยจะสงสัยในพระสงค์ที่เห็นอริยสัจไหมก็ไม่สงสัยภาษารีบุตรนั้นพผ้าหัน์ทั้งหลายเนี่ยนะ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 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระเถระเนี่ยนะประสงค์จะทูลถามพระพุทธเจ้าถึงัำพีพุทธวงศ์เราเรียนพุทธวงศ์มาตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะคิดภาษาดิบดุเพิ่งจะมาถามปัญหาคำพีพุทธวงศ์ว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าพุทธวงศ์นั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นคิดได้ว่าอะไรนะตระกูลใครคนที่อยู่ตระกูลนั้นแหละจะเล่าได้ดีกว่าเพื่อนว่างั้นเหนะ็น มิใช่วิสัยของพระประเจกะพุทธเจ้าะนะการประกาศพุทธวงศ์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันหังกรเมทง า, างกรสารนางกรทีปังกรโกลธัญ<ม>ะมังคละสมณนะเป็นต้นไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยนะไม่ใช่วิสัยของคนอื่นแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่วิสัยของพระปเจกะพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของพระสาวกทั้งหลายแม้แต่พระคารสาวก น, นะเพราะฉะนั้นเราจับรรเทาความสงสัยใน